เออขามาแล้วเขาทำสมาธิเลยเขาทำสมาธิเล ย, เอาาเลยโอ้ปีนี่คนประหลายปีนี่คนประหลายของไหวาบางย่างกับวันนิมนต์พระเจ้าพระสงค์ทั้งบัดประสิทธิมาให้างานบัดนี่ของไหวาบางย่างกับเล ย, าายพระหลายเพราะมันไหลริมซี่ ในงบประมาณเฮ็ดริมซี่ดีแล้วงบประมาณริมซี่ดีแล้ว อ, อยากมุ่นพระเจ้าประสงค์ได้หลายย่างไปเห็นเตียงโอ้ยอยากให้พระมารับสลากัปนี่คือจิดีว้าเห้อ่าน ว่า น, นี้ได้รับสลากธพตจักเทียบวะไหวมึงอยู่พูดนเสนอเจ้าว่าก็บ่กเสนอออกปีนาไปล่ไสนอกะมนีฮะโอ้ท่านนี่บอกโตคนสำดีฮะนี่ ไปน้อยาองาคว่างตวว่าอาจารย์ติ๋วกันอาจารย์ติ๋วถอนได้ดอยู่เพราะอาจารย์ติ๋วขึ้นไปเกดดีแล้วถอนออกมาบัน้นนี่นะ <c oughs> เห็ดคือน้องตูน้องแวงไหมเห็ดเห็นเตียงเรากันโอ้ยเหมือนเป็นตะพระไะ้มาพัก <c oughs> นี่แนะ่ะ มัดทอญยากเราเอาเห็ดเตียงหินแบบนี้คนเกิดมั่งบ้านมัน่ง่องถิ่นเหมือดเราสังกสีแต่ว่าเสียอย่างเดียวคนเห็ดแบนโพดใ <c oughs> บไม้ข้างมันหักต้องเห็ดั้นๆใบไม้ก็ไหลเล็ดไหลล็ดไหมช่องไท่ไหมหลุบหลร่ลองมันกันในต้นตัวบังใน ต, นตัวตัว เฮ็ดรูบๆร่องคือเทียงหน้าคนโบราณไหมเห็ดเป็นช่องไส่แต่รูบๆร่องบังในโต้รยกต้องแอมก็ต้องกั้นนี้ยังไงยากหมอกแหวพรเป็นนน้าปลาต้องเฮ็ดรูบตัวเห็ชั้นๆคือหานั่นมากแจกหอยู่เขีองมุ่ง เ่งเขาเจ้าเห็ดสานามเห็ดหน้าเกลือไหมถาพลาสติกดำาหนานาหมเขาโม่งหยาห้างๆเอาตัวนั้นมาครอบทั้งทึ่งหนึ่งโอ้ยแล้วท่านไปอันอยู่ในห่มจำอยเอาคนหนึ่งนี่อโคนหนึ่งนี่ก็ได้แล้วมันหนาไม่หัวหรอกคน พวกไอ้เขาไม่ศรัทธาอยู่พวกหน้าเกียเขาเจ้าสื่อไม่ได้ถือเขามาปูเห็ดเป็นลายเป็นไรยหรืปูไดอกเอาน้ําไปขังดอกบนันิเอาน้ําออกมันก็เป็นเกียรขึ้นมาหนะ่ามันก็ปวดเอาไงด้ว่นนี้รู้เอาเห็ดหน้าเกียร์ดินธรรมดาดิเดี๋ยวนี้เขาพลา ต, ติกปูด้ โอ้ยคือนากเกียกองเกียนึ่งมเนินเพื่อนผึกโอ้ดีเราเป็นวัดต้นแบบผ้าโมผ้าขวากเห็ดเขามุ่นนิธิหลวงปู่ใหญ่จตุปัจจัย่าเห็ดกับเป็นมุ่นนิธิพระเดชไปเห็ดหยั่งเด้นี่ยพอว่ามุ่นนิธิหลวงปูยย่พรท่านถึงพันด่านใชรจใ่ายพระใด เั็นวัดนั่นวัดนี้ไปซอยนี่เป็นมุนทีของห้าวฝากไว้ประจําเนีเบื่อไม่เอาไปใส่ใจนั่นใช้นี่หมดใจดิเนี่เอาไว้ฝากไว้ประจำเอาดอกบอกผลไปว่าท่านเอาแบบภาษาชาวบ้านนอกวัดใส่ใส่บุญเอป็นนอตที่เขา ครับบ้านเก้าไปดิหมายตายไปแล้วก็ทรงจิตทรงใจทรงบุณหะเศ้าทรงสูงขึ้นไปแทนตีถึงพุทธโลกก็ขึ้นเข้าสวรรค์ได้ด้มนุษยโลกพุทธโลกเทวโลกเข้าวสวรรค์เข้าพระเด็นผ่านไปตามสั้นด้สั้นของใจด้อันนี้เมืองอยูนี่เมืองค้นดิเนไปสนุกเมืองพุทธโลกเทวโลกนสูงด้สนุกเมืองฟา้าบ่ มิแต่แดด ก, กับฝนสนุกม่องค้นมิแต่กินกับเล่นเห็นว่า่หน้าสนุกกันสมเสมอเนี่เป็นแต่เลี้ยงตัวลูกหลานว่าขอขวัเขอว่าว่าวันศิลมวันพระหาเล่นหากินให้พอ่อให้แม่เดือดร้อนหุ่นวายยุงพเจ้าหนนเขาว่าขอโรงาบาลหลายแห่งปีนี้เพราหายขอสั่งโรงพาบาลขอนั่นขอนี่เพ่าห้ดอกเราะสนุก หรือหายยุคก็หายเนี่ยหน่อยเพราะว่าโรงพยาบาลใสรักษาคนบ่ได้รักษาคนเพใาะหายตายไหมนใดรักษาได้หรอแต่ของพระเจ้ารักษาได้เด้ฆ่ากุศลของพระเจ้ากันเส็จน้ำพระพุทธเจ้าได้เพราะอย่งล่ะเพราะได้มากเกิดพระพุทธเจ้าเป็นด้มากเกิดอีกเด้เหตุน้ำพระเจ้าได้มากเกิดฮได้มากแก ไม่ได้มาเก็บไม่ได้มาตายง่ายบา่อัดเลยสงก่านต์ำลังเหตุเนี่ลูกหลานมาสมัครเราลอยเศ้ากลัวคนเรกว่วนะตั้งแต่เก็บขวดมันเพราะฉะนั้นให้เขามาสมัทาท่านนังเหตุหนังสือจะเกลมน้อยๆ อ, อยู่คู่มือผูก พุทธมามะ ก, กะรักษาสินแปดนั่นพ้ทธิ้ามาสมัครรักษาสินแปดเด้ไว้ม า, มาสมัครคามะเรียนซื้อได้สินแปดตลอดเลี้ยนจบผู้อะไไม่ลูกหลานที่ข้านซ่องให้เลี้ยนกนัให้ไปถือสินแปดหลวงพูดจะซ่องให้ไปรับสมท่านเอาแล้วก็บรรําคุ้มค้นได้บัด ต้องคุ้มตนเองนี่นั่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าบนให้คุ้มตนเองตนเตนือนต น, ตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนอัตหิตโนนาโถตนนั่นและปฏิพึ่งของตนไหมให้ซื่อสัตย์สุดจริตไปถามหลายขู่หลายคนแล้วพวกเจ้าหน้าที่ไฟ กฎหมายกระถามแล้วว่าหลวงพ่อคิดว่าสี่เอาลูกหลานมาเลี้ยทงทางพระพุทธศาสนาหลวงปู่บัณฑิตชงเสริมช่วยเหลือประเทศชาติหลวงพ่อจิดซอยเหลือทางพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานสอนพระพุทธศาสนาทั้งตงรงผสอนทั้งอ้อมเดี๋ยนี่พระเจ้าประสงค์เลี้ยงมาไมีแต่สอนทั้งอ้อมเอาคําโบราณมาแปลสอนไหม เท่าทงเวิงเหิงหลมันจิคำมัจจิพวบอกว่ามันจิ่าคาท้างมุจักวะพวบอกว่านี่คนบว์จากคนปตีคนบอกมาสอนกันในพิจนาจุดนี้มูจจักวะเท่ทั้งเวิงเหตังหดบางพิธีกรรมมุทุมเอียมัจจิบวลูกบ่ันลันคงเง้ามาแห่เป็นประเพณีของผูเจ้าพ่อมหะสศพนั่นโต๊กิน การบ่มีนี่บ่มบวชจนตัวลูกหลานบัดนี้กันบ่มีกอ็ห้าแห่บ่บวชปุ่นแห <c oughs> ่ไปมาหาตีกันมาตีครูบาอาจารย์เห็ุบุตรข้าวข้าวัดหนังวัดสิงวัดถึงอยู่เสไปหาตีอาจารย์เขาก็ลูกหลานไปสอบเขาจะออกไปขอร้องนะเจ้าพระกันเสียงดังหลายแห่หน้าแห่ยังเล็กน้อยลูกหลานมาสอบเขาจคข่มสงบกินเหล่ามาก อาจารย์ใหนมันมาว้าวเดีเ๋ยวฮะจ้างมาตั้งสามหมื่นสี่มื่นมาบวแต่มันสนุกสนานตัวว่ามัานสึกงานทกงานผีที่เมื่อกี้ต่านัดตัางไหนพุ่นอน <c oughs> หนึ่งวันจะไปถามอาจารย์นี่บาดไอ้ันหนึ่งไปเองมันไปว่ถามนี่บาด ต, ตีปากล้าจนได้บาดนั่นเห็นว่าหุ่มก็ไปหุ่มก็ไปได้เป็นเรื่องบุนไหวาอาจารย์ดวกเล็กหน่อยแตกนี่นอเขาเกิดบุญไหวเล็กน่อยแรงนี่ไปเห็น รั้งไปที่หลังเห็นตั้งน้อยหน้าตาดีๆเนี่ไปทำพอดีบบงามเขาท่านได้ออกคูกไปไปมันเกือบเศร้าข้นปุตินั่นติพิธีของพระพุทธเจ้านั่นบ่หัวใจบ่ทั้าทางเงบิ่งหัวใจ บ, พบ่พัวปากว่าพระพุทธเจ้าคนได้แค่บ่ละออกบวชตีก่องบ่ผ่อนบ่เมื่อนึงถือกวัดเรา แคน่ะเขาวัดทําบุญติวี้เขาไปเล่าไปล่าว่าผู้บวชแสดงว่ามีความสุขแล้วเน่ยสาเหตุจากตนเองถือจับไปได้บวชทุกว่าบมันจะเป็นว่าสมาธิอ่ะดรจังจับออบวชลูกหลานผู้นั้นผู้นี้เขาตีกันในงานบวชนั่นเดือดร้อนไปทุกง่อมยาบวดแต่ไม่ลงความนี่ปอยจ่แล้ว ซื้อกลวไปกองขวดเหล้าว่านเต็มมาเนินเนพื่อนพึกงญี่ปุ่นินวิธีกรรมนหน่อยส่วนมากพระก็ตีละครั้ง <c oughs> เจ้าเป็นตีละครั้งส่วนมาไในพระเจเขาเป็นเรื่องเล่าแค่ยุ่งเสมือนหนึ่งเข่าเด็กหน่อยเขาไปทำงานมาเด็กเดิตีไปผัก พ, น 4, นนพรนตีซีตีห่าบพระเผาคนตีละครั้งเฉ มจินเล่าม้าเหล่าจกักกล้ว่าไปตีพระนาแตกคนตัวว่า้มตีตีละตีครั้งหนึง่งสองครั้งบอก่ตีพระจนมาหอนบุ้นเวหมัน ต, ตัวเว่ามันต้องกูตีเด้เพะว่าเรื่องพวกากว่าเรื่องเท้าเมืองคือมาวัดที่เรามไปหาเก็บเรไมถูกเทีย่ยนไปหาซื้อนั่นซื้อนี่ญ่ปุ่น ผู um, hand, inet, uniform, ้นึงมาหอดวัดใสบาทแล้วผ yes, ู้นึงยังเดี <house> ๋ยวก้อนปัตันเดดดอกไม้ถูกเที่ยนท่ากำท้างบ้ามอตะปัวบอกว่าอ้อมไปใส่เที่ยวทั้งเวิรงอ้อมไปผู้นึงมาถึงวัดแล้ผู้นึงอ้อมไปผูนั้นแต่โบวาจทั้งมายังคือกันแล้นี่โบวิจทั้งไปพระพุทธศาสนาโบวิจทั้งไปสวรรค์ก็ไปว่าเที่ยวก็เก่าก็เก่าอตัวเปลี่ยนโบวิจะเอาพระบ๊อบ มิเตบอกไปทางมอนอรกตัวโยอมมาอะไรถวายพระป่าถวายสังฆทานสังฆทานมีะะมบ่ละเปาดป้อมีมาบูชาเอาอยืนนิ่ก็ได้เห็น <c oughs> <c oughs> จังไหนในหลวงพอ่อ จ, จุดทูบจุดเทียนถวายสังฆทานตรวจน้ำยมไหล่ะทําบุญบ่ น, นั่นไปวัดทำบุญตรงเงียบสงบสุขอื่นยิ่งกวัวความสงบไม่มีนั่นทั้งตรงเวลาลูกหลานเลี้ยนจบหลวงปู่เอาพระสอนนี่เด็กต้องบ้านห้องประทันหนุจักกันผู้ได้จะไปสมัครไปละหลวงปู่ทรงให้จนเลี้ยนจบสีเลียนวัดเป็นญาเอกก็ได้ขอจังเดียวคือต้องถือสิญปัทุกวันพระเพราะไม่ให้ถือตัวมือรอ ไปส่วนพุทธภูแก็ตพออักมณีวันพระแล้วผมยุงบันส่วนเล็กน้อยก็น่าสนด้บันส่วนพุทธภูเกมันขึากจเว้าเขาทานองว้านบันหัวําไปก่อนหัวรอนนําหลังแปลว่าจังไรเอาเ็กน้อยมานนั่งทั้งหน้าวันศีลวันพระเุทาภูแกออกไปทั้งหลังเพราสบคนตันี้แต่ละมือวันพระ เ ด, scalable. เดี๋ยวเข้าพรรษาก่อนไปว่าได้บัตรวันนี้กินข้าวเห็นบอกย้มพรรษาบนย้ำกินข้าวแม่ครับครับเดี๋ยวก่อนหลวงปู่เข้าพรรษาก่อนผมจะติกินข้าวว่าเห็นว่าได้บัตรัตบอกเอาบุญเข้าพรรษาก่อนหลวงปู่ฝนมาทานศีลบุญบพราม่ศีลเราก็แล้วท่นละเรื่องบุญนะ อันดับผู้เจ้าเลี้ยงไว้แล้วทานศีลภาวนาทานศีลบุญปฏิตัดพระออกอีกไหมนี่ศีลสมาธิปัญญาบ่ไอ้ท่านนี่พระให้ไปเห็นศีลได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาเจ้ากันไหนเอาปัญญาปุ่นทานศีลบุญไปเห็นบุญเจ้ากันแต่มาบอกโยมเมตดบุญนั่นกันไปว่ไปหาเห็นแต่ก็เลบอกแต่โยมทำบาปยุ่งทีละกบพ่อพระพราะเคยเห็นบุญวัเนเป็นตั้งไดน ผู้เจ้าสอนมาทำบุญนี่ไวมาสร้างโลกเด้สร้างแต่ของแข็งโลกของบอสสินสุดดอกโลกมาสร้างไก่ผู้เจ้าสอนพระมาสั่งไก่หลวงกูได้ว่าเออลวงกูบ่บรรดาศรยประเทศชาติหลวงปูยศระศาสนานี่ <c oughs> นนเขาต้องเสื่อมดิต้องเสื่อมเขาจิตใจจะงอยอยู่ดิสมมุิว่าเลนจนจบเนี่ยอ๋อตั้งแต่เก็บขวบเยาจิบขวบย สิบปีไปจุมาเรียนจบมันต้องแสกเสื่มอมกว่าจังไนก็คุณอาจินทัพมามันพอแสกเสื่อมเพราะอย่างละเพราะเลนเพราะหัวนั่นสนุกเมื่อคนมีแต่กินก็เลนมันก็เลยไปคุกคีอยหันเรื่มหูเรื่มตา เ, เพราะโลกะคือความมืดครอบงำจิตใจสัตว์โลกยังมืดเข้าไปด้ส ม, มือน มัวเ ม, า, มาเพิดเพื่อนแต่เยอะแต่ย่านแนวเล่นแนวหัวแนวยูแนวกินแนวไหนไห น, ไหนโอ้ยเขาหอดพ่กกินสมทุมม่มเนี่ยเขาลานอาหารมิตรจินสิ้นเขาโมจาวามันกุยมันข้าวยำยำขึนเข้าไปนำกุยนำข้าวของเขาต้มก็มาจินเข้าไปก <c oughs> ็ไปติ๊ที่แค่นั่นตัวป่าเ้าก่อนเคยเห็นสินเน้นท่ำเห็นสินเน้นทคือเราม่ไแจกคติมเข้าไปได้ลายคนจิบอะไรบ่าักสีคน ผูต้ตังอกตังใจเลี้ยนจบปริญญาตีโทษเอกไปยังสิได้เป็นด็อกเตอร์ได้เป็นอาจารย์หลวงปู่คือว่าเกิดจิตได้แล้วมันเตรียมก่อไปเตรียมก่อไปในกิจใจปากศีลธรรมพอเอาไปถามเขาเบื้องล้วบอมีผู้เบื่อนายจะค้นไหมอ้าวไรยผู้คนลูกหลานผู้ใดเมื่อยผู้ใดล้าผู้ใดเพี้ยมีปัญหาศีลขอใดแท้ผู้ใดเมื่อยเรื่องกินเขากินน้ำผมมี มิตรว่าเมื่อใดที่หอดวันศีลนอคุณนั่นมันจะขอมาวานั่งสมาธิภาวนาต้องแทรกซึมเข้าไปโยสอนผู้เฒ่าผู้แก่้มวันพ่าแล้วจะว่ากันเ้อะพแต่บอกอยากลงปูไปกลับไปซุ้มหัวกันพุ่นอีกแล้วบันดอกเล็กหน่อยมิจิรีเลยมันอหี่ยวันผ่าแล้วเนอสวยจะไปวากันเนอไป นเขากดเรากัดน <t ien balloons> like ั่งสมาธิัเขากป็นของใจเรื่องตัดสินข้อธีกามแม่ไม่ลงปู้เหตุตั้งไดมันดูกับภูญาภูญิสุเลียนเจียนอานเวลาเล่นจิลาสไปสู้กันถูกกันเหตุตั้งไดเขาบว่ามีเกตนาว่าเป็นอย่างกำลังสูตรทังเลียนอยู่นั่นคำวัด ผิดศีลขอกามเมฆคือมีเกตนามีความหัดมือหรือเอาภาษาของพระเจ้าความกำหนัดย่อมใจไปทำคนอื่นให้นั่นเกิดความทุกข์กระทุกคนตัวบัาหักกันไม่หยังกันมากมขืนนามใจเขานั่นจะมปนผิดศีล ไปเล่นกีฬาไปสู้นไปถูกแย่งกั น, นเพราะมีเจตนาจับหันจับนิเรื่องทำการทำงานถูกต้องกันเพราะเป็นอยังเราก็เลยเบาใจไปนั่นะข้อห้ามของสินแปดมันหนักข้อนี่แนวอื่น เ, เ, เขาก็เหตุได้อยู่โดยเฉพาะผัว่าก่าตัดออกหยุดทุบุดเที่ยนพิธีกรรมทางศาสนาเดี๋ยวนี้หลวงปู่ก็บอกใครใส่เราได้ไว้กันได้สักเสียเอาไปพระมาสวดเป็นยงนัน เอาใคได้มาสวดเนี่ก็ได้ตัวคนนอกมังยงถือว่านั่นเราพดว่าบอกว่าคนนอกมังยงมังงัดลูกกุมีซื้อหมามาเลี้ยงอันนี้ก็ว่าลูกกุมีหรือลูกหลานมาเลี้ยงอีกดยนี่เรียกว่าลุงปูเลี้ยงเยอะเลี้ยงอเผยแผ่วัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าเลี้ยงให้รักษาพระพุทธศาสนาสร้อ้พระสงฆ์ พระสงฆ์เปยังสอนค้นให้พระต่ของมาท่านแต่นี่สอนให้ฝึกเด็กน้อยสอนคนให้ทำบุญเนี่ยทำบุญไม่ได้ซื้อล้มเขาล้มออกเห็นว่าเราบ อ, อกมาขึ้นอนะ่ะบุญคืออาหารใจอาหารใจคือหยังว่ามันเขาน่าไม่น้ำเด้อาหารใจคือบุญคือล้มล้มเพราเขาตายเขาไปแล้วเ่าออกตายง่ายเ่ราจะจนะ๋ อย่ม ง, ยออออองมะเฮ็ดเนง่ายเขาข้อนอกมากๆถามเขาไปมึงรูให้มีปัญญาแกกิเลสอะให้มันท่านกิเลสมึงรูนั่นที่ไปเสียจังไหนร่วงปัญญาบานนะหลวงปู่ว่าเอาเท่า้ะบัดเสียมาซอยลูงแราน่เขาสัาง่งร่วงบานไหมเอาร่วงกบาลของพูะเจ้ายาของพูะเจ้าอยู่หูดังเนี่ย บ่ได้ซื้อจักบาทตัวเอคิดละเอียดเข้าไปมึงรู้เันว่าหายใจนกตายตัต น, น, น, นตัวอย่างบางบันเนี่ยเอฉั้นถ้าเกิดมาพู้ได้เบื้องดูหลวงปู่ย่ำแล้วย่ำอีกยำได้เกิด น, นั่งสมาธิเด้อเบิ้งล้มหายใจก็ออกทุกขึ้นถุกขึ้นขึ้นละหนึ่งนาทีมือหนึ่งมิจักนาทีมือนึงให้เบื้องล้มได้หนึ่งนาทีได้ว่า มือคลื่อนก็ะยำแล้วจากแัเน้นหนักจุดนี่เพราะฉะนั้ น, น, กก น, ร, น, น, นร่นรงางเน่าพึกไใดพื้นง่ายร่างเน่าแน่ห้งไหวบางย่างก็สงบแล้วส ม, มือพวกไอ้วุ่นคือเกาเริ่มสงบก็ไปสงบก็ไปเขาวัดไปท่อมบุญคือนนัง่งสมาธิกาบายงามๆนั่นการบูชาด้วยการประนุ่มมือกาบลงไป ให้ถูกต้องเบ็นจางคาปฏิเสธเจตการปั๊บปับปบเอาตะเมอล่งหัวปรล่งใส่ป้ได้ให้ล่องถึงหัวถึงพื้นปุ่นต้ว่าขึ้นมาตรงแล้วก็ล่องไปสามครั้งแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วก็ก้าวอิมินาในใจอิมินาจกาเลนะพุทธทางตัมังสังขังอภิปุญยามะแล้วก็นั่งเบึ้งร่มเข่าร่มบอกร่มเข่าล่มบอก ง่ายเพราะจังทำบุญคือเบื้องล้มจังล่ะในแน่นหนักเรื่องทำเบื้งล้มปิดหูใส่ขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสือบ้างแล้วนั่งทําบุญนั่นแหละไปวัดทำบุญไม่เป็นคนของมหาให้พระเกิดที่เลรศ น, นี่ดีด้มาเห็นแบบไหมเราไม่ได้ก็นั่งอยู่กับเที่ยวก็เอาถ้วยมาแน่ะเอาจานมาแน่ก <c oughs> <c oughs> ันเราทอนหน่อยเขาเอาสับสพี่มาแน่ ไม่บาปก็เต็มแล้วเหตุใดพระเสียก็ว่าไปทําบุญนี่บาตทาอะไรคานึงถึงความได้อย่าคานึงถึงความเสียนั่นยังดีตัวบมมีโรงงานก๋วยเตี๋ยวอยู่นั่มีฟอร์มพระสันเดียบรอยได้เหมัอนก็เสริมก๋วยเตี๋ยวลงปูพุญพระเสียสมาธิไป็นเรื่เป็นบาปทํำไมพระออกอากาศสมาธิ การขบฉันของพระสงฆ์อยู่ในสมาธิพิการาให้เห็นเป็นไปตามความจริงเขี้ยวเขี้ยวเกินเินเที่ยวเขี้ยวเกินเกินผสมนํำไรที่ว่าอันนั้นแซ่บอันนี้บ่าแซ่บอันนั้นบ้แซ่บวิธีของโลกเด้พระพเจ้าให้ทํำไรเด้ทํำไรรสชาติว่ายินดีน้ารูปเสียงกลิ่นรสขจักก็จะหนักนหมืนที่เป็นทลายนิ่มไหไปทําลายนิ่มตายแล้วตีหมือนที่ไปขานนั่นเหม่ขากิเลสขาวบาปคือขากิเลส มุจักตัวเกเียดพ่อปัตย์เหยเหตุน้ำใจเจ้าของก็ว่ามันบุญเตต้องเหตน้ำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฝ่า้ตั้งแต่ไนคือเบิ่งคือซื้อคือเบิ่งเลรียญซือติพระพุทธเจ้าออกวินตาบาดเอาพระสันกลับใจบปเห็นไปเศ้าบ้านสิบบ้านเด้อเห็นมีเทศใส่รถใส่จานถึงแข่งใึ่กระมังขึ้นสมือนี่หรอรถไปเข็นกลับวัดก็กลับก็ได้ ไปหดวัดกอนุญาตกันอีกบางวัดเป็นพระทันหอดสายพระ อ, อาหารเมดแล้วอพความกราบ